วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะนี่พระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าเท่ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารหือกันบ น, นี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระ ญ, ญาต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 ความรู้เกี่ยวกับกับการทานาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทานาสมัยนัะนะ้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทานากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจวมาศึกษาเอาความรู้ในการทานาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทานานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วาน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 น้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงออพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะอ เ, เออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระ อ, อนุรุทธะก็ไปกราบลาบมานดาบะนี้มานดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย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 ไม่ขัดวันนี้เอาบวชก็บวชนะเนี่ยก็เลยไปบวช ด, ด้วยกันสองสหายพระธิยาเนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลย อ, อย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ขบวดเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตะผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทิยะนั่นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุกหนอว่าไง พระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบนอมตะวสุขหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้ว็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียก พระพัตติยะมาพระองค์ก็ทรงรับสั่งถามมาการที่เป่งอุทานมาว่าสุขหนอสุกหนอนั้นด้วยเหตุผลกลใดพระพัตติยะก็กราบทูลพระ อ, องค์ว่าที่ข้าพระ อ, องค์เป่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนี่ไม่ใช่ปารลราชสมบัติพระสถานอะไรอย่างั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระ อ, องค์ เป็นพระมาหากษัตริย์ ส, ยสมบัติอยู่นุ่นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่ภาณนั้นน่ะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วัน <c oughs> นี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้ว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 อันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกินรดเครื่องสัมผัสอนนันได้มามากมายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดีอ่าันเป็นงั้นสุขอันนั้นเรียกว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องเข้าของ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 พยามละกิเลสให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆความหมายนะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤหัสได้แก่ทานศีลภาวนานเมื่อคฤหัสปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชกระรสอนให้ จเจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าหน้ากวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำมรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งต่างเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่น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 ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เส้นอย่าว่ามันคิดโลภเร่งเพยงเรียงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้น ะ, ะก็ามานึกถึงสันตติธรรมพระศ า, าสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตถิปรมังท่านัง ความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอ า, าพระพุทธภาเศทข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั้ น, นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้นตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้น แม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมหวัิผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีวไยสอนใจเขาทนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัต อยู่ในสัรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก, ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ อ, อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิญญาณดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไป ว, ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพาน ทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้เกิดในตระกูลต่ำอันโมนีไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็สุดโทมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มีอํานาจอะไดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำระทสุดโทรมได้ไม่มีเลย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 ก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หาว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลง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 เป็นเหตุได้ทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัตฐานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพิจีรนาะเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครล ใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราเอาโหสิกรรมให้หมดเลยนี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาสินได้เลยบันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุ ท, ทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาอ่อนเบาบางลงไป แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอวัยเย็บคายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหล ะ, ะกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมันนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเน่แน่ เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ไอ้กิเลสคือความโกรธของพยาบาตมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากกิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจ ดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันโมนี่นะมันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะเมาจเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอืมเช่นนี้แล้วก็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 อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนีนะ้ทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไยตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอ่ะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอกนู่นนี่ลักษณะของความหลงนะให้พากันเข้าใจทีนี้ วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนำมาเล็วเล่วเล่าเล่ามานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วออจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิด ส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยเดวน้อยไปแหละจิตนี่นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์อันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆลองสังเกตดูทีนี้พอเรากำหนดละอารมณ์ันนั้นได้แล้ว เมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยบบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันนะที่เดิมของมันคือมันที่สงบอที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมัน น, <อ>นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบ คือตั้งกิจไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งกิจไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนวัาสำคัญนะมันเป็นพื้นฐานของปัญญา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 ก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญสรรมะวิพัฒนานะ่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าเราเนี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครึงหัดก็เหมือนกัน เราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรดกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นคะล้ายกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้ กินก็ไม่ยอมกินนะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอืออย่างนี้แหละที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นหละอยถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นําพาไม่ไม่ดูดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเฉยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นละ่ะมันก็เรียกว่า ตนยังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้บําเพ็ญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทําลงไปก่อนไหมเมื่อเราทําลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันรู้เองแล้วะเนี่ยอืม มันรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไว้จากกิจใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยแบบนี้อ่ามันเป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทําคนนั้นรู้เองไงเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทํากันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุตติลงเพียงเท่านี้